จึงได้ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิตจิตใจด้วยการมาบำเพ็ญมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ส่งสอนให้เราใช้เวลาของชีวิตของมนุษย์นี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดคืออย่าปล่อยให้ วันเวลาผ่านไปผ่านไปโดยไม่ได้ทำอะไรให้เป็นคุณให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของเราการบำเพ็ญการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนี่แหละเป็นการทำประโยชน์สุขให้แก่ชีวิตจิตใจของเราอย่างแท้จริงส่วนการกระทาสิ่งอื่นๆ น, นั้นไม่ได้เป็นประโยชน์สุข ต่อชีวิตจิตใจของเราแต่อย่างใดแต่จะเป็นประโยชน์สุขกับกิเลสตัณหาความโลภความอยากความโกรธความหลงที่จะส่งผลให้จิตใจของเราต้องมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นดังนั้นขอให้เรา จงเชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเถิดเพราะคำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความสอนที่ตรงกับความจริงไม่มีอะไรที่แปลกปลอมที่ไม่ตรงกับความจริงซ่อนเน้นอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยคําสอนที่สอนว่าการบําเพ็ญประโยชน์ของพวกเรา ในการทำบุญให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาพัฒนาจิตใจของเราก็ดีนี้เป็นการสร้างประโยชน์สุขให้แก่ชีวิตจิตใจของเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่จะตามมาต่อไปในปัจจุบันเมื่อเราได้บำเพ็ญแล้ว ใจของเราจะมีความเย็นมีความสงบมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจและอนาคตของเราคือภพชาติที่เราจะต้องไปเกิดต่อไปก็จะเป็นภพชาติที่ดีจะไม่ต้องไปเกิดในภพชาติที่ไม่ดีถ้าเราบำเพ็ญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นีน ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะไปลบล้างความจริงอันนี้ได้จะเชื่อก็ไม่ลบล้างจะไม่เชื่อก็ไม่ลบล้างเพราะความจริงนี้เป็นกฎของธรรมชาติเหมือนกับความจริงของพระอาทิตย์ที่ขึ้นแล้วก็ต้องตกหรือเรื่องของลมฟ้าอากาศต่างๆ เป็นความจริงของเขาเราจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเช่นมีการพยากรณ์อากาศว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนความจริงได้เมื่อถึงเวลาฝนจะตกเขาก็ต้องตกความจริงของชีวิตจิตใจของพวกเราก็อยู่ตรงที่กฎแห่งกรรมนี่เองถ้าเราทำดีผลดีก็จะตามมา ในปัจจุบันก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขในอนาคตก็จะมีพบชาติที่ดีอย่างพวกเราที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในคราวนี้เราก็มาแบบไม่เหมือนกันมาแบบสูงสูงต่ำาๆบางคนก็มาสูงบางคนก็มาต่ำบางคนก็มาแล้วร่ำรวยมีฐานะการเงินการทองอุดมสมบูรณ์ มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมีอวัยวะครบทั้ง32นี่ก็คือเรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้บางคนก็มาแล้วก็ไม่ค่อยดีมาเกิดแล้วก็ยากจนสติปัญญาก็ไม่ค่อยมี ให้เรียนหนังสืออย่างไรก็ไม่สามารถเรียนได้ทั้งๆ ท, ที่มีผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่แต่เนื่องจากกรรมเก่าที่ในอดีตได้ทำมาคือในชาติก่อนๆไม่ใฝ่รู้ไม่ใฝ่เรียนไม่สนใจที่จะศึกษาเบื่แต่ไปทำอย่างอื่นแทนก็เลยไม่มีนิ ส, สัยนี้ติดตัวมา พอถึงเวลาที่จะต้องเรียนต้องรู้ต้องศึกษาก็ไม่มีเครื่องมือคือนิสัยนี้ผลักดันให้ตั้งใจเรียนให้ตั้งใจศึกษาเวลาจะอ่านหนังสือใจก็ลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็เลยไม่สามารถที่จะเรียนเรียนได้นี่ก็เป็นเรื่องของบุญของกรรมที่แต่ละคน ได้ทำมากันในอดีตถึงแม้จะเป็นลูกของพ่อแม่คนเดียวกันแต่ลูกๆแต่ละคนนี้กับมีความรู้ความสามารถมีความดีความไม่ดีแตกต่างกันไปบางคนก็มีมากบางคนก็มีน้อยเพราะไม่ได้รับมาจากพ่อจากแม่นั่นเองสิ่งที่รับได้จากพ่อจากแม่ก็คือร่างกาย ที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายคุึกันแต่เรื่องของจริตนิสัยเรื่องของบุญบา ร, รมีเรื่องของวาสนาเรื่องเรื่องของนิสัยสันดานของแต่ละคนนี้ไม่ได้มาจากพ่อจากแม่แต่มาจากบุญกรรมที่ทำไว้ในอดีตในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าสร้างบุญสร้างกรรมสร้างบุญมามากเวลามาเกิดก็จะมีบา ร, รมีมาก เช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นถ้าสร้างบาปสร้างกรรมมามากก็จะมีสันดานที่ไม่ดีติดตัวมานี่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายได้กระทำกันมาโดยส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่ามีผลตามมาเวลาเราทำอะไรเราไม่ค่อยนึกว่า จะมีอะไรตามมาต่อไปขอให้ได้ทำตามความอยากทางความต้องการของเราก็พอใจมีความสุขเดี๋ยวเดียวแต่ความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปอีกมากมายนี้กับไม่คิดถึงเช่นถ้าเราเรียนหนังสือแต่เราไม่ชอบเรียนเราก็ไปทำอย่างอื่นเราก็มีความสุขกับการกระทำของเรา ในปัจจุบันแต่ต่อไปในอนาคตเราจะไม่มีวิชาความรู้ที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากินหาเงินหาทองแล้วต่อไปเราก็จะลาบากยากเห็นเพราะว่าเราสู้คนที่เขามีความรู้ความฉลาดกว่าเราไม่ได้แต่ถ้าเราฝืนยอมอดทนอดกลั้น พยายามบากบัน่นตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือไปต่อไปมันก็จะติดเป็นนิสัยไปแล้วมันก็จะเรียนง่ายขึ้นไปตามลำดับแล้วต่อไปก็จะเรียนได้จนจบอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ใครคนอื่นเรียนแทนเราไม่ได้เราต้องเรียนเองเราต้องเป็นผู้ผลักดันใจของเรา ให้ฝ่ายรู้ให้สนใจต่อการศึกษาร่ำเรียนถึงแม้จะไม่ชอบถึงแม้จะไม่ถนัดแต่ขอให้เรามองถึงอนาคตที่จะตามมาต่อไปว่าต่อไปเราจะสุขเราจะสบายเราจะมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะมีกำลังจิตกำลังใจที่จะอุตสาหภาคเพียนบากบัน ทำหน้าที่ของเราไปจนจนถึงถึงผลที่เราต้องการคือจบการศึกษาได้ไม่มีอะไรที่ไม่อยู่ในวิสัยของจิตของพวกเราทุกๆุกคนไม่ว่าจะทำอะไรพวกเราทุกคนนี้สามารถทำกันได้ถ้าเรามีคุณธรรมอยู่สี่ประการด้วยกันที่จะเป็นเหตุที่ผลักดัน ให้เราทาสำเร็จผลได้คุณธรรมทั้งสี่ประการนี้เรียกว่าอิทธิบาทสีอิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่บาทแปลว่าทางเดินทางเดินสู่ความยิ่งใหญ่หรือทางเดินสู่ความสำเร็จอยู่ที่อิทธิบาทสี่นี้มีอยู่สีด้วยกันคือหนึ่งฉันทะความยินดีความพอใจ ที่จะทำหน้าที่ของตนวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรจิตตะความตั้งใจวิมังสาการค่ายควรคิดแต่เรื่องงานเรื่องการที่ตนจะต้องทำนี่คือเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่จะผลักดันให้เราได้ไปสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าจะไปในทางโลกหรือในทางธรรมก็ต้องมีเครื่องมือทั้งสี่ทั้งข้อนี้พระพุทธเจ้าของพวกเราตัดสรตเป็นพระอนุเป็นพระอาหารหันตะสามมาสามพุทธเจ้าได้ก็อยู่ที่อิทธิบาสสี่นี้ทรงมีพระไทยที่สนใจต่อการปฏิบัติจึงกล้าเสีย ส, ะสะละสละราชสมบัติเพื่อออกบวช แล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรเร่งปฏิบัติภาคเพียรอย่างเต็มที่ถึงกับอดพระกายอาหารถึง49วันด้วยกันเพราะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้ามีฉันทะความยินดีอย่างแรงกล้าที่จะต้องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะจิตใจของท่านก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างเดียวตั้งแต่ออกบวชแล้วไม่เคยกลับไปเยี่ยม ญาติพี่น้องไม่เคยกลับไปเยี่ยมพระราชาวง์ไม่ได้เคยกลับไปในพระราชวังเลยมีแต่มุ่งเข้าป่าเข้าเขาหาความสงบสงัดวิเวกหาครูบาอาจารย์ที่สามารถจะสั่งสอนให้ท่านหลุ่พ้นได้เมื่อไม่มีอาจารย์ที่สามารถสอนได้ท่านก็เลยต้องสอนตัวท่านเองแล้วในที่สุดท่านก็ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ตัดสรูเป็นพระอาหารหันตสั ม, มาสามพุทธเจ้าขึ้นมาได้ด้วยอิทธิบาทสีนี้ดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องสร้างอิทธิบาทให้เกิดขึ้นก่อนฉันทะความยินดีนี้เกิดจากอะไรเกิดจากรู้ว่าสิ่งที่เราต้องทำนี้เป็นประโยชน์กับเรามหาศาล ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเราก็จะมีความยินดีความพอใจถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากระทำนี้มีคุณมีประโยชน์เราก็ต้องศึกษาถามผู้อื่นดูอย่างเวลาที่เขาอยากจะขายสินค้าหรือภาพยนตร์นี้คนที่ไม่เคยรู้จักสินค้าหรือยังไม่ได้ดูภาพยนตร์นี้ เขาก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรเขาก็ต้องโฆษณาพอมีการโฆษณามีการชักจูงให้เห็นคุณประโยชน์หรือความดีของสินค้าหรือของภาพประโยชน์แล้วพอคนได้เห็นโฆษณาขึ้นมาก็จะเกิดความยินดีอยากจะไปดูพอมีฉันทาความยินดีแล้วความขยันที่จะไปซื้อของนั้น หรือไปดูภาพประโยชน์เรื่องนั้นก็จะตามมาอย่างอย่างง่ายดายแต่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีมันดีอย่างไรหรือไม่เครือบแคลงสงสัยเราก็อาจจะขี้เกียจกลัวว่าไปแล้วเดี๋ยวจะเสียเวลาจะไม่ได้ของดีอย่างอย่างที่อยากจะได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะได้อะไรเราต้องศึกษาถึงคุณภาพ ถึงผลประโยชน์ของเขาก่อนเช่นการศึกษาเราก็ต้องดูคนที่ก็มีการศึกษาคนใดยิ่งจบสูงเท่าไหร่เขายิ่งอยู่สุขยิ่งสบายกว่าคนที่ไม่มีการศึกษาคนที่ไม่มีการศึกษาหรือมีการศึกษาต่างก็ต้องทำงานที่มีรายได้น้อยต้องใช้กำลังกายมากเพราะไม่มีกำลังสมองงานก็เป็นงานหนักเช่นงานแบกถางงานกวาดถู งานอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ต้องใช้กําลังกายเป็นส่วนใหญ่รายได้ก็ได้มาน้อยไม่พอจุนเจือกับความต้องการส่วนคนที่มีความรู้มากนี้ก็งานที่เขาทำก็เป็นงานที่เบาทางกายเขาจะใช้สมองเป็นหลักเขาจะใช้ความคิดเป็นหลักเช่นคนที่เรียนจบเป็นหมอมานี้ไม่ต้องไปแบกไปหาม อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่คลินิกก็มีลูกค้ามีคนไข้วิ่งเข้ามาหาอยู่ตลอดเวลานั่งแล้วก็เพียงแต่วิเคราะห์ใช้สมองวิเคราะห์ดูว่าเป็นอะไรแล้วก็เอายาให้เขารับประทานไปก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาเพราะว่าตอนที่เรียนหนังสือนั้นเขามีฉันทะเขามีความพอใจที่จะตั้งใจเริ่มเรียนจนทั่งสามารถ สำเร็จการเรียนได้พอสำเร็จแล้วเขาก็ออกมาทำมาหากินได้อย่างสะดวกอย่างสบายนี่ก็เป็นเรื่องที่เราศึกษาได้เราดูตัวอย่างจากคนทั้งหลายที่เขาเป็นกันความแตกต่างกันนี้อยู่ที่ความรู้นี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนคนบางคนก็มก็ต้องยกต้องมีอะไรเ็าเรียกว่าข้อยกเว้น คือบางคนอาจจะไม่ได้ไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนแต่เขามีความรู้ความฉลาดเขาสามารถเรียนด้วยตนเองได้สิ่งที่เขามองสิ่งที่เขาเห็นนี้เขาศึกษาดูเหตุดูผลได้จนสามารถใช้การศึกษาที่เขาศึกษาด้วยตนเองนี้สร้างฐานะสร้างรายได้ให้กับเขาเป็นจานวนมากก็เป็นได้ แต่นี่เป็นส่วนส่วนย่อยเป็นข้อยกเว้นที่เป็นเพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะไม่มีโอกาสตอนที่เขาเป็นเด็กพ่อแม่ไม่สามารถส่งเขาร่มเรียนได้แต่เนื่องจากเขามีนิสัยใฝ่รู้มาในอดีตเขามีนิสัยที่ชอบคิดชอบอ่านด้วยเหตุด้วยผลมาเขาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เขาก็ไม่ต้องที่ไปโรงเรียนก็ได้อย่างพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาอยู่ตลอดเวลาและมีปัญญามีความรู้มากกว่าครูบาอาจารย์ที่พระราชบิดาส่งมาสอนเสีย อ, อีกสอนอะไรพระพุทธเจ้าก็รู้หมดแล้วนั่นก็เพราะเป็นว่าท่านได้ศึกษามาในอดีตนั่นเองแต่นี่เป็นกรณียกเว้น เราต้องอย่าไปถือว่าเป็นเป็นกรณีที่จะเกิดขึ้นกับคนทุกคนถ้าเราไม่มีใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนสนใจต่อการศึกษาไม่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองเราก็ต้องอาศัยการไปเรียนในสถานที่ศึกษาต่างๆเพราอจะได้อาศัยผู้ที่มีความรู้เช่นครูบาอาจารย์ต่างๆนั้นอบรมสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่เรา นี่แหละคือเรื่องของการสร้างฉันทะก็คือความพอใจขอให้เราศึกษาถึงผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการกระทาหน้าที่ของเราเมื่อเรารู้แล้วความขยันหมั่นเพียรมันก็จะมาเองมันจะไม่มีความเกียจค้านเลยถึงเวลาต้องไปเรียนหนังสือก็ไปแต่เช้าถึงเวลาต้องทำการบ้านก็ทำถึงเวลาต้องอ่านหนังสือก็ทา จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะจิตใจมีจิตตะคือมีความตั้งมั่นมีความตั้งใจในการศึกษาเ่าเรียนั้นเองจะไม่ไปทำเรื่องอื่นจะต้องทำหน้าที่ของการเรียนให้สมบูรณ์ก่อนเมื่อสมบูรณ์แล้วมีเวลาว่างจะไปทำอย่างอื่นก็ไปได้จะไปพักผ่อนหลับนอนไปผ่อนคลายอารมณ์บ้างก็สามารถทำได้แต่จะไม่ทำก่อน จนกว่าหน้าที่ของตนที่จะต้องทำนี้สำเร็จหรือเช่นในแต่ละวันเมื่อถึงเวลาต้องทำการบ้านต้องดูหนังสือก็ต้องทำไปก่อนดูไปก่อนเมื่อทำเสร็จแล้วอยากจะเปิดดูโทรทัศน์บ้างอยากจะเล่นเกมบ้างอันนี้ก็พอจะทำได้แต่ก็ต้องมีขอบมีเขตมีประมาณพอผ่อนคลายให้จิตใจสบายก็พอแล้วเพราะ การเล่นนั้นไม่ค่อยเกิดประโยชน์ไม่ได้เป็นการเสริมสร้างภูมิปัญญาให้เกิดขึ้นมีแต่จะสร้างความโง่ความหลงงมงายให้มีเพิ่มมากขึ้นพ อ, อจะเกิดความอยากพอเล่นหมดเกมนี้แล้วก็อยากจะไปซื้อเกมใหม่มาเล่นอย่างนี้เป็นต้นหรือดูหนังเรื่องนี้จบแล้วก็อยากจะดูหนังเรื่องใหม่ดูกี่เรื่องเล่นกี่เกมมันก็ไม่ได้ทําให้ฉลาดขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้นเราต้องมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะความตั้งใจแล้วก็มีวิมังสาคือใจของเราต้องไข้ควรคิดแต่เรื่องงานเรื่องการเรื่องหน้าที่ของเราใจของเราต้องพยายามตรวจตราอยู่อยู่เรื่อยว่าเราบกพร่องในหน้าที่การงานของเราหรือไม่ส่วนไหนที่เราบกพร่องเราก็ควรที่จะเสริมเพิ่มขึ้นมากไปถ้าเราเรียนแล้วเรา ยังไม่เข้าใจดีพอเราก็ต้องไปหาไปเรียนพิเศษไปหาผู้อื่นที่รูม้มาสอนเราเพิ่มวิชาให้กับเราใจของเราต้องคิดแต่เรื่องการเรียนเรื่องการทำงานอย่าไปคิดถึงเรื่องเล่นเรื่องเที่ยวว่ามันจะทำให้เราควายเขวทำให้เราไม่มีกระจิกกระใจที่จะตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ของเราให้สาเร็จ รู้เรื่องไปได้แต่ถ้าเรามีคุณธรรมทั้ง4ประการนี้แล้วคือถ้าเรามีฉันทะความยินดีมีวิริยะมีความภาคเพียงมีจิตตะความตั้งใจอันแน่วแน่และมีวิมังสามีการค่้ควรคิดถึงเรื่องงานเรื่องการอยู่ตลอดเวลาไม่ช้าก็เร็วผลที่เราต้องการ ก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนไม่ว่าในทางโลกหรือในทางธรรมเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านก็มีท่านก็มีอิทธิบาทสีน่นี้ในทางโลกจะเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นมหาเศรษฐีก็ต้องมีอิทธิบาทสี่นี้เช่นเดียวกันถึงจะบรรลุถึงผลที่ ถพง่ปรารถนาได้ไม่มีอะไรมาม า, มาแบบไม่มีเหตุไม่มีผลทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลไม่ได้มาจากการวิงวอนขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ร่าขอให้รวยขอให้เรียนจบขอไปจมันตายเขาไม่มีทางรวยไม่มีทางเรียนจบถ้าไม่ทาเราต้องสร้างเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมา อยากจะรวยก็ต้องขยันทำมาหากินขยนัเ н, ขยนเก็บเงินเก็บทองขี้เกียจเที่ยวขี้เกียจใช้เงินถ้าอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่ารวยแน่ๆแต่ถ้าขี้เกียจทำมาหากินขี้เกียจเก็บเงินขยันใช้เงินขยันเที่ยวอย่างนี้รับรองได้ว่าจะต้องยากจนไปตลอดต่อให้พ่อแม่ทิ้งเงินสมบัติไว้มากมายเพียงไรก็ตาม ไที่สุดมันก็จะต้องหมดไปเพราะมันไม่มีการหามาเพิ่มมันมีแต่ใช้เหมือนน้ำที่เราใส่ตุ่มไว้เต็มแล้วเราตับใช้อยู่ทุกวันทุกวันเราให้ตุ่มมันใหญ่ขนาดไหนก็ตามเถอะถ้าเราไม่เติมมันเข้าไปบ้างเลยนี่รับรองได้ว่าไม่นานน้ำในตุ่มก็จะต้องหมดไปแต่ถ้าเราคอยเติมอยู่เรื่อยๆ ด้วยการใช้วิชาความรู้ที่เราได้ริ่มเรียนมาห า, หาเงินหาทองมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆเอามาเก็บอยู่เรื่อยๆถึงแม้เราจะใช้ไปอยู่ตลอดเวลามันก็จะไม่มีวันหมดเพราะเราหามาเพิ่มอยู่ตลอดเวลานั่นเองดังนั้นอย่าประมาทอย่าไปคิดว่าตอนนี้เรามีเงินมีทองมากเราสุขเราสบายเราไม่ต้องไปเรียนหนังสือก็ได้เราไม่ต้องไปทำมาหากินก็ได้ เรามีเงินใช้เหลือเฟือแต่มันไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องหมดแล้ยิ่งถ้าเราไม่รมเราไม่รามัดระวังมันจะหมดเร็วยิ่งกว่าที่เราจะคาดคิดเสียเอกอย่างที่มีข่าวที่คนถูกตตรัตตอรี่ยรางวัลที่หนึ่งได้เงินมา6ล้านบาทพอได้มาแล้วก็ไม่เคยใช้เงินมาก่อนก็เลยใช้แบบตามใจชอบเพียงไม่กี่ปี 2-3 ส, สาปีเงิน6ล้านก็หมดเกลี้ยง กลับมาเป็นขอทา น, นกลับมาเป็นคนจนเหมือนเดิมนั่นก็เป็นเพราะว่าไม่เคยคิดว่าเงินมันจะหมดได้นั่นเองใช้ไปเรื่อยๆอยากจะใช้อะไรก็ใช้ไปใครมาขอก็ให้ไปอย่างนี้แล้วไม่นานมันก็หมดเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความเชื่ที่จะมองถึงอนาคตไม่มองถึงเหตุว่าเงินนี้มันหมด ถ้าใช้แล้วมันีมันไม่หามาเพิ่มนี้มันหมดแต่ถ้าเป็นคนฉลาดแล้วจะต้องแบ่งเงินไว้ ท, ทันทีส่วนหนึ่งต้องเก็บไว้ในยามยากอีกส่วนหนึ่งก็เอามาใช้พอสมควรอีกส่วนหนึ่งก็เอามาลงทุนเอามาทำมาหากินเพื่อจะได้มีรายได้เข้ามาจุนเจืออยู่ตลอดเวลาแล้วจะสามารถอยู่อย่างมีความสุขไม่อัตคัดขัดสนแต่อย่างใด จะจนถึงสิ้นลมหายใจทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่การใช้ความคิดของเราเท่านั้นเองว่าเราจะคิดเป็นหรือคิดไม่เป็นคิดตามเหตุตามผลหรือคิดตามอารมณ์ถ้าคิดตามอารมณ์แล้วมันจะนำเราไปสู่ความวอดวายความสูญสูญเสียความหมดสิ้นเนื้อปดาตัวเพราะอารมณ์นี้มันไม่มีขอบไม่มีเค อยากได้อะไรก็ซื้อมาอยากทำอะไรก็ทำไปทำเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแล้วในที่สุดต่อให้มีมากน้อยเพียงไรมันก็จะต้องหมดไปในที่สุดแต่ถ้าเราใช้เหตุใช้ผลใช้พิจารณาว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้อะไรบ้างเช่นชีวิตของเรานี้าขาดอะไรแล้วอยู่ไม่ได้สิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น เช่นปัจจัยสี่ปัจจัยสี่เราก็ต้องมีถ้าไม่มีเราก็ต้องตายแต่จะมีแบบไหนจะมีแบบฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟ้มฟอมีแบบล้นตู้ล้นล้นโลกอย่างนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้ามีพอประมาณพออยู่ได้อาหารก็พอประมาณบ้านที่อยู่อาศัยก็พอประมาณพอสมควรแก่ฐานะของเราเสื้อผ้าก็มีพอประมาณ ยารักษาโรคก็รักษาไปตามอัตภาพฐานะของเราถ้าอย่างนี้แล้วเราจะมีเงินเหลือใช้เยอะจะมีเรืองเงินเก็บไว้จุนเจือในเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากในเวลาที่เราไม่สามารถมีรายได้หารายได้มาแล้วเช่นต่อไปเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องแก่ลงและอาจจะต้องพิกลพิการไป แต่ถ้าเรามีเงินทองเก็บไว้คอยดูแลเราเราก็จะไม่เดือดร้อนอนี่ต้คือการคิดในทางที่ถูกที่ควรคิดตามเหตุตามผลพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราทรงสอนให้พวกเรานั้นอยู่แบบมักน้อยสันโดษกันอย่าอยู่แบบมากๆอยู่แบบฟุ่มเฟือยอยู่แบบตามความอยาก เพราะมันจะนำไปสู่ความหายนะนั่นเองถ้าอยู่แบบมักน้อยสันโดษแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะปลอดภัยจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะเราจะมีมีเงินทองพอที่จะดูแลรักษาเราไปได้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของเราและเราจะมีความสุข มากกว่าอยู่แบบฟุ่มเฟือยอยู่แบบมากๆเพราะความฟุ่มเฟือยมากๆนี้จะคอยกดดันให้เราต้องไปดิ้นนุนหาเงินหาทองมาแล้วถ้าหาไม่ได้ก็จะทำให้เราต้องไปทำในสิ่งที่ไม่ชอบต่อไปแล้วก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งทางกฎหมายและทางทางจิตใจถ้าเรา มักน้อยสันโดษแล้วอยู่ตามมีตามเกิดแล้วเราก็จะไม่ต้องไปวุ่นวายกับการดิ้นรนขนขวายหาเงินหาทองโดยวิธีที่ไม่ชอบโดยวิธีที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายเราก็จะปลอดภัยจากปัญหาต่างๆนี่คือเรื่องของการประพฤติการปฏิบัติตามแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สงสอน ให้เราปฏิบัติกันดังนั้นขอให้พวกเราตั้งใจศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วนําเอาไปปฏิบัติดูในเบื้องต้นเรายังอาจจะไม่เห็นผลเพราะเป็นเหมือนการรับประทานอาหารเพียงคำสองคายังไม่รู้สึกว่าอิ่อย่างไรต้องรับประทานไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่นานก็จะอิ่มเอง การปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้ในเบื้องต้นอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ก็อย่าไปทอแท้อย่าไปปฏิเสธว่าเป็นคําสอนที่ไม่มีผลประโยชน์อะไรตามมาขอให้ดูตัวอย่างของผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อและปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนจนได้บรปปรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆนั้น ท่านเป็นเหมือนเป็นเหมือนโคสนาของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนว่าพระพุทธเจ้าสอนจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็นคาสอนที่โมคะเป็นคาสอนที่เต็มด้วยเหตุด้วยผลที่สามารถยังประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาบาเพ็ญมาปฏิบัต มาใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจนี้ให้ท่านได้นำไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไวเพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยนัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้